อุปาลิปัญหาว่าด้วยปัญหาของพระอุบาลีสังราชี ครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าที่เรียกว่าสังคราชีสังขรา ช, ราชีด้วยอาการเพียงไรจึงเป็นสังคราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศ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 พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้จัดเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเภท 2. อุบาลีฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสองรูปอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสองรูปรูปที่ห้าประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรม นี้เป็นวิไนนี้เป็นสัตว์ุศาสพวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้ก็จัดเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเภท 3. อุบาลีฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสองรูปอีกฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสามรูปรูปที่หก ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตว์ทุสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้ก็จัดเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศ 4. อุบาลีฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสามรูป อีกฝ่ายหนึ่งก็มีสามรูปรูปที่เจ็ดประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตว์ทุศาสพวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้ก็จัดเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเภศ 5. อุบาลีฝ่ายหนึ่ง มีภิกษุสามรูปอีกฝ่ายหนึ่งมีสี่รูปรูปที่8ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสั์ตุศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้ก็จัดเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศหกอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสี่รูปอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสี่รูปรูปที่9ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตธุศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้จัดเป็นทั้งสังฆราชีและสังฆเพศ เจ็ดพิุกเก้ารูปหรือมากกว่า9รูปจัดเป็นทั้งสังฆราชีและสังฆเภทอุบาลีภิกษุณีทำลายสงไม่ได้ได้แต่พยายามทำลายสิกขมานาทำลายสงไม่ได้ได้แต่พยายามทำลายสามเณรทำลายสงไม่ได้ ได้แต่พยายามท ำ, ล า, มทำลายสมย า, ยามะเนรีทำลายสงไม่ได้ได้แต่พยายามทำลายอุบาศกทำลายสงไม่ได้ได้แต่พยายามทำลายอุบาสิกาก็ทำลายสงไม่ได้ได้แต่พยายามทำลายอุบาลีปกตะตะภิกษุ ผู้มีสังวาาเสมอกันอยู่ในสมานสีมาย่อมทำลายสงได้